เหมือนเธอต้องการหยุดความสัมพันธ์เหมือนทุกๆวันต้องทะเลาะกันเหมือนว่าอารมณ์เธอตอนนี้มี รำคาญฉันน้อยใจทุกครั้งที่ทำเพื่อเธอแล้วฉันต้องเจอสภาวะเก่าทั้งที่คบกันแต่ดันเงาเหมือนหนังจบแบบเศร้าโอทรีรัก ฟังฉันทีถ้าให้เราจบกันตอนนี้บอกตรงๆว่าทำไม่ได้หากจะให้เลิกรากันไปอย่าให้เหมือนละครดำเนินมาถึงตอนที่เราสองต้องหมด เยื่อใยบกตรงตรงชีวิตที่เหลือไม่อาจฝืนใจรักใครใหม่ถึงฉันไม่มีค่าเป็นคนนอกสายตาแต่อยากราบขอร้องได้ไหมอย่าเพิ่งทิ้งฉันไป ถึนตายหากเธอทิ้งไปเพราะทังหัวใจมันมีแค่เธอทุกคืนที่นอนยังคงเพอ้อคิดเรื่องเก่าเสมอโอทีรักฟังฉันทีถ้าให้เราจบกันตอน ว่าทำไม่ได้หากจะให้เลิกรักันไปอย่าให้เหมือนละครย้ำแน่นมาถึงตอนที่เรองอน กราบขอร้องได้ไหมอย่าเพิ่งทิ้งฉันไปโอ้โหบุกตรงๆว่าทำไม่ได้หากจะให้เลิกรักกันไป ถึงตอนที่เราสองต้องหมดเยื่อใย